<c oughs> นี่มนเพื่อนภิกษุสมณเนทุกคนตั้งใจฟังแกะญาติโยมทั้งหญิงและชายทุกทุกคนต้องตั้งใจฟังถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วการจดจำนั้นมันจะไม่เข้าใจมันจะเลิกเลือนไป เมื่อไม่เข้าใจมันเลอะเลือนไปแล้วนำไปปฏิบัตินำไปใส้ในชีวิตของเราโบทูกสิ่งที่ปฏิบัติผิดเอาไปใส้โบทูกนั้นมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนนั้นให้เราจำได้เอาไปปฏิบัติให้มันถูกต้อง เอาไปใส้กับชีวิตของเราโดยที่ไม่มีทุกข์นันพนวัาถูกต้องดังนั้นการฟังธรรมะมืน้นี้เรียกว่าธรรมะก็ได้เรียกว่าคำพูดก็ได้เพราะมีการเปิดอบรมถักมิงขวนเป็นระยะเวลาครั้งนี้ดูกันเป็นครั้งที่ที่ซี่แล้ว ในวันเปิดอบรมที่บ้านในวันสองครั้งแล้วปีที่แล้วนี่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ออกพรรษาสเสร็จแล้วก็เปิดอบรมกันพร้อมเพื่อต้องการผู้สนใจจริงๆปีนี้ก็เช่นเดียวกันออกพรรษาแล้วก็เปิดอบรมลงเอาออกพรรษาตามปกติเพิ่นนั้นมือ ขึ้นเดือนสิบเอ็ดสิบห้าคำขึ้นกับเปิดอันออกอันสาบัดนี้เขาก็ทำเช่นเดียวกันขนบรรมเนียมประเพลงอันนั้นเขาไม่ได้หละก่ได้เล ย, ลเล ย, เลยบัด น, นี้เขาก็เลยเปิดอบรมกันมีการประวรณากันพร้อมเมื่อเดือนสิบเอ็ดขึ้นสิบห้าคำเมื่อวานนี้มื้อนี้เป็นมื้อแหลมคำหนึ่งเดี๋ยวนี้ในขณะนี้ ตีสี่สี่สิบห้านาทีมีการให้ข้อคิดมีการแนะนำมีการซีทางเพื่อให้เราทุกคนได้ยินได้ฟังถ้าหากเขาได้ยินได้ฟังแล้วออกไปแก้ตัวเขาซะ ก, ก่อนจะไปแก้ผู้อื่น เมื่อแก้ตัวเฮาฝึกหัดดัดแปลงตัวเฮาดีพอใสเออไปสอนผู้อื่นกับบุาพการผิดมาถ้าหากเขายังบุทันได้แก้ตัวเฮาบุาได้ดัดแปลงตัวเฮาไปสอนผู้อื่นอาจจะถูกน้อยผิดมากบุได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้เสือ้อศรัทธาเสื้อสิ่งที่หวนเสือ้อ สิ่งที่บุคคลเสื้อโบตองเสื้อิดเสื้อบนใดศรัทธานี่เนีย่ยพอสอบพูดเรื่องตัวเองมามการพูดเรื่องผู้อื่นนั้นมันเป็นการยืมคำพูดของคนอื่นมันบมเมนพูดเรื่องตัวเองถ้าพูดเรื่องตัวเองแล้วมันบได้ยืมคำพูดของคนอื่นมาพูดเพราะว่าเราไปคิดเอา คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อันนั้นบมเองผมคิดของเขาโบน่าเสือ่อผมคิดแบบนั้นโบน่าเสือ่อโบเสือ่แท้ๆอ่างพอเคยเป็นบาแล้วอันนี้พูดความจริงอย่าพอบวชเป็นเนนปีหกเดือนแต่โบต้องพูดเรื่องการศึกษาอย่างอื่นหนอเคยได้ฝึกกรรมฐ า, านมาและต่อมาศึกเป็นนม เคยได้เป็นรักษาอุโบสถสินกับคนเท่าคนแก่บางครั้งบางข่ า, า, ขาวตามภาษาคนนุ่มแต่ก็ไม่ให้พาดผิดมากนั่นหลวงพ่ อ, อยังบุทธรรู้จกักศรัท ธ, ธาคือหยังเสื้ออันใดอันใดผิดอันใดทูกหลวงพ่ อ, อยังบุญธรรรู้จกักเติร์เฮดตามประเพณีขนมทมเนียมพ่อแม่พี่น้องเพื่นผ่านเหตุกัะเหตุไต่บางสิ่งบางอย่างได้ บางสิ่งบางอย่างก็บได้เพราะโบมีการเสื่อมั่นในตัวเองต่อมาอายุยี่สิบปีเพิ่งจะให้บวชบวชหกเดือนมาฝึกกรรมฐานแต่โบต้องฝึกเพราะทําเป็นแล้วแต่เมื่อสมัยเป็นเน็กทาอยู่ในเกณฑ์หกเดือนนั้นออกเดินทุดงกะแมน่นเพื่นว่าทุดงนั้นเพื่อนว่าต้องมีบาท มีอุปกรณ์มีธรรมกกอะไรพวกนั้นสร้างเฮ็ดผู้เท่าผู้แก่คนนี้ผายบาดไปบ้านนั้นบ้านนี้อยู่กับต้นไม้อยู่กับวัดอยู่กับไปเฮียว่าบ้ววานหัวกวันมาอยู่กับไปเฮวเนื้อยู่เถียงให้เถียงนาะห่างคนบูญยู่นั่นแหละอย่าให้มันไกล้คนเกินไปและอย่าให้มันห่างคนเกินไปหลวงพ่อได้ทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้น แต่บุได้ทํามากทําน้อยๆทํารู้จักเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนอเนกกันอย่างพิ่งบุได์ศรัทธาหลวงพ่ออย่างบุทันมีมียู้ศรัทธาศรัทธาอนั้นศรัทธาเสื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนคือสือ่บอบ่แม่ศรัทธาเสื่อมั่นในตัวเองของหลวงพอ่บอบ่แม่ดังนั้นเมื่อศึกออกมาก็มามีครอบครัว ทำบุญทุกปีเนี่ยพอทำบุญประจำกางพรรษาเพราะกลางพรรษาบ้านเนี่พอนั้นต้องมีการทำบุญกันเมื่อการมีการทำบุญก็บ้านเนี่พอมีประมาณในขณะนั้นลอยโวหลังคาเลือนต้องไปบอกกันทุกบ้านทุกเหงือนเซิญพี่เซิญน้องมาร่วมทำบุญผู้เท่าผู้แก่มาผู้หญิง มาตัดตองห่อข้าวต้มข้าวปาดบ้านหลวงพ่อเรียกว่าข้าวปาดขา้าวนาโ h ะ น, นั้นผู้เท่าผู้จริงเป็นหน้าที่จังสรรแล้วแล้วก็จีกมากมวลบุรีไว้สำหรับคนที่ไปฟังเทศฟังธรรมได้แขวได้ดูหรือพระเจ้าพระสง์ไปเอาไปถวายพระเจ้าพระสงฆ์ทำมาแล้วสิ่งเหล่านั้นศรัทธาเสื้อจากพอจากแม่ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ ผู้ซ้ายบัลเนี่ยคนนุ่มหรือคนเท่าไปไปขูดมะพร้าวเห็ดเ ข, าาดเขาาเ้าปดเข้าวหน่อโคนะอย่างน้อยก็ต้องสาบสี่ม้อหรือหอ้าม้อจึงจะคอกันกิน ม, อมอ้อกบเป็นม้อละน้อยม้อกระทะใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆมีคนไปพ่อไปโมต้องเอาเข้าวต้มขาม้ขาวหน่มข้าวปาดนั่นแหละให้ทุกคนผู้ใดไปก็ต้องให้ คนที่ไปเพาะไปโมนั่นก็ต้องมีไฟฟ้ายดอกเนี่ยบางคนก็มีไหมบางคนก็มีเงินสตางค์หนึ่งสองสตางค์สมัยนั่นมันอึดเงินไปเพาะไปโมเก็บไว้เพื่อเป็นกันเทศกันสวดของพระของเนนเป็นนะครับวันนี้คนนุ่มคนสาวผู้นุ่มผู้น้อยให้ว่าเดไปไปต้องไปทําเข้าวปุ้นเข้าหน่มเส้น บ้านหลวงพอเรียกว่าเข้าปุ้นเข้าหนุ่มเส้นแต่ทางภาคกลางเขาเรียกว่าข้าวหนุ่มจีนนั่นอันเดียวกันไปทาอยู่ทาน้ำพวกนั้นต้องเป็นหน้าที่ไปทำอยู่ใกล้กับน้ำเมื่อทำเสร็จแล้วหรือบทันสิกกับตำ้างได้มาก็เอามาเลี้ยงมาสู้กันกินในบ้านนั่นแล้วเมื่อแรลงก็เก็บไปบ้านไครบ้านเราได้เวลาพอ ระยะเาไปนิมนต์พระมาสวดเขานัดกันเวลาเท่านั้นเท่านี้อย่างที่เขามาทำวัดเสานี่แหละแล้วก็ให้มาฟังเทศฟังธรรมตอนมาฟังเทศนี้พระต้อนกัร น, นั่งเป็นแถวอยู่ข้างบนทัดลงมาก็เป็นผู้สายนั่งเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยสมัยเนี่ยพ อ, อยังเป็นนุ่ม อย่างน้อยก็ว่าแม่นเป็นอย่างนั้นต่อมาก็เป็นผู้หญิงผู้เท่านั่งถัดลงมาผู้สายเป็นแถวบนเป็นนั่งตามใจซอกบนได้เหตุทางสั้นนั่งเป็นแถวเป็นแถวไผแถวเรานั่งต่อลงมาเป็นคนนุ่มคนสาวบางคนก็เข้าไปฟังบางคนเขาเขาไ่าาาไปฟังตอนที่ฟัง พระท่านทวดท่นเทนิดนันต้องปนมมือนกนกทุกคนกาบไล่ทุกคนเพื่อเอาบุญแต่หลวงพ่อยังบบเคยรู้จักว่าบุญคือหยัง่งโบรู้จักฉะนั้นศรัทธาหลวงพ่อในขณะนั้นจึงว่าอืเพิ่งโมได้ ย, ยังโบแม้นศรัทธาอย่างพอจริงๆเพิ่งเอื้นว่าศรัทธาเสื่อไปทั่วๆไปในระยะนั้นยังมีการกลัวผี ยังมีการไหววอนเทวดายังเป็นสันอยู่ต่อมาเมื่ออายุ46ปีมานีอย่าพห อ, อว้าเรื่องทาบุญกระทำกันคือทาบุญประจำปีกลางพรรษาก็เว่าไปแล้วบัดนี้ยังมีการทาบุญเรื่องเวชสันดอนสะดวกกระทำมาเพราะหลวงพ่อเป็นคนที่ ชอบทําบุญแล้วพ่อแม่พี่น้องกับเสื้อฟังบางคนบางคนขอโบสเสื้อฟังคิดแล้วเป็นจำนวนมากเสื้อฟังหลวงพ่อว่าแล้วคนในบ้านนั้นให้มาเถอไปต่อมาเรื่องทําบุญเวสันดรทํามาหลายปีต่อมาเป่นว่าทําบุญสังหอมธาตุได้บุญมากทําบุญสังหอมธาตุนี่ถ้าทํโบทูกไฟไหม้บ้านไหม้เฮือน ฟ้าผ้ามือพินาจิบหายเปน็นวังทาบุญสังหอมธาตนี่มีเครื่องหลายพวกทาบุญเรื่องเวสันดรมีดอกไม้เงินมีดอกไม้คำเงินก็เงินแท้ๆคำกบคาแท้ๆมาตีเป็นดอกไม้กันเทซีกันแต่ละกันนั้นต้องเป็นผ้าไก่แต่ละองค์ละองค์หลวงพ่อทำมาแล้วซึ่งเหล่านี้ แต่หลวงพ่ อ, อยังโบทันมีศรัทธาเสื่อมั่นในการกระทำตัวเองว่าบุญคือหยังนรกคือยังสวรรค์คือยังนิพพานคือยังหลวงพ่ อ, อยังบน่นพูดจาที่พูดความจริงให้ฟังมือนี้ต่อมาเมื่ออายุ46ปีมานี่หลวงพ่อออกสแสวงยนทมาแต่บ่ได้ออกไปสแสวงไก่ย่างที่เคยทํามาดอก ไปปฏิบัติธรรมะอยู่ที่อำเภอสีสิงหม่สมัยนั้นอำเภอสีสิงหม่นี่ยยามทันเป็นอำเภอเป็นตำบลพันเ้ามีญาพ่อบันทองเป็นปลัดอำเภอเก่าอยู่อำเภอทะบอกบวชมาเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานอยู่ที่ตรงนั้นหลวงพ่อก็เลยไปฝึกอำเภอวิธีของเพิ่นฝึกนั้นเป็นวิธีของยกเท้าสูงสูง แต่ว่าทุกคนคงจะรู้เพราะหลวงพ่อก็เคยทํามาแล้วเรื่องกรรมฐานนี่หลวงพ่อทํามาแล้วตั้งแต่สมัยเป็นนิสิอาจารย์สอนมาแล้วก็ทํานําำพืน้นทํามาแล้วสิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อยังบม่ได้ไว้ใจหลวงพอ่พอเพราะหลวงพ่อยังโบเข้าใจยังโบทราบซึ่งตึงใจตัวเองอยังบม่รู้จักว่าพ่อตัวยุ่งใสแม่ตัวยุ่งใสตายแล้วไปเกิดใส่โบห่วงจัก เน่ยพอบุคคลยากแท้ๆ พ, พระโพธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียคนยู่ใสบุคคลยักแ ท, ท้เมื่อญนพ่อมาเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาอบรมตัวเองฝึกตัวเองให้รู้สึกตัวเองมานี่แหละหลวงพ่อเกิดข่วมรู้ข่วมเข้าใจเกิดมาจากมันสมองเกิดมาจากจิตสํานึกเกิดมาจากสันดาน เนื้อจีวะทั้งหลายก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องสมมุติผูดรู้จักตัวเองรู้จักจริงๆเมื่อรู้จักตัวเองและะ้วบัดนี้มีศรัทธาเสื่อมั่นในตัวเองว่าโอ้พอเราคืออันนี้แม่เราคืออันนี้เข้าใจกันพระพุทธเจ้าคืออันนี้บาปคืออันนี้บุญคืออันนี้รู้จักตอนที่หลวงพ่อรู้จักตอนเศรา ในระยะที่ห้านี่แหละเพราะเบื้องหลายมือบุทันเห็นคัดอย่าพอรู้จักโอนาการเจริญสติให้ถูกต้องดังนั้นการทำทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงมีวิธีการมีระเบียกมีวิในเขาเคยได้ยินบะผู้ที่เคยขวัดเคยบวชเรียนเขียนอ่าน พระพุทธเจ้ายัางมีชีวิตยอยู่เที่ยวเทศเที่ยวสอนคนนั้นมีระเบียบมีวินยัยพอดีพระพุทธเจ้าตายกับว่าได้นิพพานกับว่าได้มีภิกษุองค์หนึ่งจ่วงจาบต่อพระธรรมวินัยขึ้นมาว่าดีแล้วสมณะโคดมตายไปแล้วก็สบายใจเมื่อสมณะโคดมยังมีชีวิตยอยู่นั้นตำหนิเฮอันนั้นกับว่าบทถูก เฮดอั น, นี้กัว่าโบทูกคอยตําหนิติเตียนว่าันบัดนี้เราทําอันใดก็ได้ตามสบายใจอันนี้แหละที่นํามาเราสู้ฟังมือนี้กัเพราะว่าต้องการให้มีระเบียบมีวินัยคนขาดระเบียบขาดวินัยแล้วเดือดร้อนเกิดความสับสนวุ่นวายทุกเกิดขึ้นอันนั้นผิด ก้อนที่จะมีระเบียบมีวินัยปฏิบัติตามแนวคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นข่มทุกนั้นคงจะลดน้อยไปบมแม่นอันใดกัอันนึงลดน้อยไปพูดเรื่องนี้กัเพื่อว่าแต่เตือนกันให้รู้จักต่อไปนี้ฟังตื่มก้อนที่หลวงพ่อจะเสื่อมั่นในตัวเองนั้นหลวงพ่อรู้จักแต่ก่อนนั้น พันาวาให้รู้จักเรื่องรูปเรื่องนามนี่เลยหลวงพ่อกร็รู้รูปคืออย่างนามคืออย่างพันว่ารูปได้แก่ร่างกายนามนั้นเป็นซื้อของสิ่งที่เขาสมมุติขึ้นพันเลยว่านามนามนั้นจึงว่าอืมรู้จักแต่หักไว้ใจโบได้ต่อมาเมื่อหลองพ่อรู้จักนี่รู้จักจริงๆรวันนี้รูปได้แก่ตัวเองนี่จริงๆ นามได้แก่สิ่งที่มันสัมผัสกับรูปนี้จริงๆเนี่ยหลวงพ่อรู้จักว่าโอ้รูปนามนี่แย่กันโบได้เมื่อรูปนามนี่แยก่ก็ออกจากกันโบเลยตายเมื่อนั้นหมดลมหายใจเมื่อนั้นทําดีกับโบไ ด, ด้ดีทําซั่วกับโบได้ซั่วทําดีก็โบโเป็นทําซั่วกับ่บเป็นหลวงพ่อก็เลยรู้จักนะครับเมื่อรู้จักสังกัสืือมั่นในการกระทาตัวเองว่าโอ้ธรรมะ ธรรมะนี่โบเมนตู้หนังสือโบเมนตัวหนังสือโบแมนพระพุทธรูปโบเมนเจดีโบเมนอย่างทั้งมัดหนูพอเกิดผวเข้าใจอย่างนี้คำว่าธรรมะธรรมะนี่หมายถึงตัวบุคคลทุกคนจะเป็นพะนระ ก, ก็เป็นธรรมะจะเป็นเนร์ก็เป็นธรรมะเป็นโยมผู้หญิงก็เป็นธรรมะเป็นโยมผู้ชายก็เป็นธรรมะ คำว่าธรรมะนี่เราเรียกว่าเป็นการทำดีธรรมะนี่เป็นการทำดีเป็นกุศลธรรมหลวงพ่อเข้าใหญะบัดนี้ธรรมบัดนี้ธรรมะคือกันนั่นแต่ว่าธรรมธรรมซัวกรแม่นธรรมคือกันแต่เพื่นเรียกว่าเป็นอาธรรมบัวบัวธรรมเพื่นว่ารัอาธรรมคำว่าอาธรรมนี่เป็นการทำบ่ดีทรรมบ่มีระเบียบทรรบ่มีวินัย ทำไปตามใจชอบผิดใจทูกใจโบรูจ้จักทำไปตามอารมณ์อันนั้นเพื่อเอื้อนอรรับทำโบได้ใส่สติปัญญาเพราะโบมีเหตุโบมีผลโบมีปัจจัยโบมีทีพึงได้หลวงพ่อเกิดเข้าใจดังสั้นจริงๆจึงว่าศรัทธาหลวงพ่อเกิดตั้งแต่ ม, มื้อนันมาจนถึงบัดนี้ศรัทธาเรื่องนี้หลวงพ่อเลยรู้จักว่า เรื่องรูปนามรูปธรรมนามธรรมรูปโลกนามโลกโลกนี่มีสองอย่างมีโลกทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องโรคอันนี้ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลผู้เสี่ยวสารทางโลกตรวจเซ็ตร่างกายเขาแล้วเพิ่นให้ยามารักษาหายได้โรคสนิดหนึ่งบ่นคือดีใจเสียใจหรือว่ารักเปรียด สั่งเมื่อนายนี้โลกทางนี้ไปหาหมอบวัวหายต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามแบบของปริจ้ามีระเบียบมีวินยัยตามแบบของปริจ้าหายได้สิ่งเหล่านี้บมดต้องไปขอร้องอ้อนวอนจากที่เทวดาซอยบัได้นี่แหละจึงว่าตนเป็นที่พึ่งของตน เพิ่งคนรอื่นบ่ได้เพิ่งได้เฉพาะ ก, การกระทําของตัวเองเท่านั้นหลวงพ่อเกิดศรัทธาขึ้นอย่างนี้รู้อย่างนี้ศาสร์ซึ่งตึงใจมาตั้งแต่มือนั้นถึงบัดนี้เมื่อรู้จักรูปโลกนามโลกแล้วหลวงพ่อก็เลยรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาแต่ก้อนนั้นรู้จักแต่หักบุศาสตร์ซึ่งตึงใจรู้จักตามครูบาอาจารย์สอนว่า ทุกขังนั้นหมายถึงความทุกข์ผลไม่ไหวเลยอันนี้จังหมายถึงบุธยงอนัตตาบังคับบรรชาบอดายเป็นกวางท่านกระทุกอยู่คือกันเมื่อหลวงพอรู้จักนั้นตัวทุกขังนั้นตัวอนิีจังตัวอนัตตานั้นมันตรงเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสติพี่ให้เรามีสติทุกอิรยิยาบถพี่ ก็เลยมาเห็นการเคลื่อนไหวในอิริยาบถอันนี้แหละมันเป็นทุกข์ทุกข์แปลว่าทนไม่ไหวนั่งนิ่งๆไม่ได้อย่าพิบตาดูห้ามบอดใอย่าหายใจดูห้ามบอดใอย่าเคลื่อนอย่าไหวอันใดดวงดูห้ามบอดใโอ้นี่มันเป็นกฎของธรรมชาสตร์มันจริงๆนี่เพราะว่าจักเป็นทุกข์เพราะมันติดอยู่กับรูปนี้เด้บัเนี้ เนี่ยรูปนามมันเป็นทุกขงังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาซึ่งเรานี้รู้จักแล้วก็ต้องพัฒนาได้เป็นบางอย่างบางอย่างพัฒนาบาุไดจะรู้จักกันนี้สิ่งที่พัฒนาได้นั้นรู้จักว่าสิ่งที่มันเคลื่อนไหวไปด้วยมือที่ไปทําผิดห้ามได้พัฒนาได้ มันในสิ่งที่มันเคลื่อนไหวการพูดทําสิ่งที่มันบม่ดีมันซีเดือดร้อนตัวเองและคนอื่นห้ามได้พัฒนาได้จิตใจที่เป็นอนัตตานั้นมันคิดขึ้นมาเราพัฒนามันได้ห้ามได้ดังนั้นคําสอนของพระเจ้านั้นจึงว่าเป็นกลางกางเป็นสาอ้นเป็นของทุกคนบ่มีไผ่เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติรู้เห็นเข้าใจทราบซึ้งตึงใจเอาไปใส่กับชีวิตโบทุกนี่หลวงพ่อรู้จักอย่างนี้เมื่อรู้จักอย่างนี้หลวงพ่อเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องส ม, มุติผีเทวดาพอ่อแม่นรกสวรรค์หรือพระพุทธเจ้าอันใดกระามสร้าง เรื่องเป็นโลหะเงินทองถนนหนทางนี้หลวงพอลู่จักจริงๆรู้จักสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกนี้หลวงพอรู้จักอันนี้แปลว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมธรรมะนั่นคือรู้เห็นเข้าใจจวีวาเขาสวดเมื่อกี้นี่พระพุทธเจ้านะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม รู้ธรรมะในตัวเา่าบุแม่นจิไปรู้ธรรมะนอกตัวเขาเมื่อรู้สิ่งนี้แล้วหลวงพ่อก็เลยมั่นใจต่อมาหลวงพ่อก็เลยรู้ว่าศาสนานั่นคือตัวคนทุกคนไม่ยกเป็นตัวพุทธศาสนาจริงๆนั่นคือตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาฝึกฝนอบรมดีแล้วนั้นอันนั้นแหละตัวพุทธศาสนา มีในคนทุกคนแล้วแต่บุคคลคนนั้นแหละจะประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นหรือหรือจีบวคประพฤติปฏิบัติบวกให้มันเกิดขึ้นหรืออันนั้นเป็นเรื่องของบุคคลผู้นั้นแต่สำหรับตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อเสือมั่นจางสี้นไพสิว่าสั่งใดก็ตามสางหลวงพ่อเสือมั่นในศรัทธาที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตจากใจเกิดขึ้นมาจากเป็นกฎของธรรมชาติจริง มันเป็นอะไเมื่อรู้จักจังสรรนั้นหลวงพ่อก็เลยรู้จักบาปบาปพราะเป็นจังสรนจังสรนเกิดมาพ่อจังสรนจังสรนหลวงพ่อรู้จักนบุญบับบนี่ยบุญคือรู้จักจังสรรจังสรนงดเว้นสังสรรจังสรนหลวงพ่อรู้จักบาปบุญรู้จักจริงๆในขณะระยะเวลานั้นแหละรู้จักพอดีรู้จักเรื่องนี้แล้ว หลวงพ่อเกิดมีสติปัญญาอันหนึง่งเป็นที่บบคอยดีอันบบคอยดีเป็นอย่างนั้นคือมันเลยลูนอกตัวไปบนี้สามารถที่ไปสอนแต่นคนอื่นบัดเนี้ยลืมโตไปแลบบ้วบัดนี้เมื่อรู้จากตัวเองแล้วมันก็พาดไปเลยอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนควรจําเอาไว้อยากไปสอนแต่นคนอื่น ไปสอนผีต้องยืนอย่างนั้นนั่งอย่างนี้ไปสอนเทวดาต้องยืนอย่างนั้นนั่งอย่างนี้ไปสอนคนต้องยืนอย่างนั้นนั่งอย่างนี้แสดงทำอย่างนั้นแสดงทำอย่างนี้เป็นทั้งวันเลยวันนั้นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อบวกเคยรู้จักผมคิดตัวเองแต่รู้ซื่ออันนับ ว่าโตสุดศรัาบารีเราแปลว่นาน้โมตฉาบแปลว่าขอนบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเราพูดได้แต่เราอย่างไม่เข้าใจอราหาโตแปลว่าผู้ไครจากกิเลสสัมมาสัมพุท ธ, า ส, าธสัจจารูชอบโดยพระองค์เอง รู้โดยพอบตดไปรู้ด้วยพระองค์เองในวัาอย่างนั้นเราพูดกันบันนี้เราจะทำอย่างไรเราไม่ได้ทำตามคำพูดคำสอนคำกล่าวคำเตือนนั่นเองในต็นอย่างนั้ทีอว่ามันไม่รู้หลวงพ่อก็เลยพูดให้ฟังใกล้คนเราทุกคนทุกชาติทุกภาษท า, ษ ท, าทุกเพศทุกวัยเป็นพระเป็นเนน เป็นคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวก็วปฏิบัติอันเดียวกันนี้แล้วก็ว่าธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวคำนมันเลยไม่รู้อย่างเดียวกันมันรู้จำรู้จำรู้จักไม่ใช่เป็นของเรารู้แจ้งรู้จริงมันจะเป็นของเราให้เรารู้จริงจริงแล้วก็ น, นำไปปฏิบัติกับชีวิตของเราจริงจรงนั้นจึงจะเป็นธรรมะแท้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 พ0อยแตดพันประการไม่ได้หลงทางนั้นเลยไม่รู้ของจริงเลยบัด น, นี้บทสุดท้ายเนี่ยคดทานหุกคทางสามารถศีลทิ่ิงผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีศีลและทิฏฐิเสมอกันเนี่ย <c oughs> มีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าอย่างธรรมแท้จริงคือสิ่งเดียวกันเราูดไทยรู้จักนั่นที่หลวงพ่อคูณคนไทย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 ผู้ตัดสั้นรูต้ตามพระพุทธเจ้ามีสิ่งไดที่ถือ่เสมอกันมันก็ผิดที่ขัดนีเพราะที่ขีดควมเห็นเรามันไม่ตรงกับทิศทีของพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยความเห็นมันก็ไม่ตรงกันกับคนเห็นของพระฤจําก็ขัดหน้าเนยบายกันขึ้นไปความขัดแย้งต่อตัวเองมันมีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเพราะเราดิ่งไปข้างเดียวเลยอย่างที่เขาเพิ่งสงขามกันทุกวันเนี่ยนยกว่าสังคมนิยม ปาชาธทปไตยถอดปราชาธิปตไตยก็จะเอาให้ได้อย่างนี้สังคมนี่ยงก็จะเอาให้ได้อย่างนั้นเกิดสองพักปะทะเลาะกันขึ้นมาเนี่ยรวมเห็นไม่ตรงกันอันนั้นก็ได้บัดนี้นักศึกษาตั้งแต่ปหนึ่งถึงปริญยญายเอกก็ยังไม่เคยศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจเนี่มันมีคือกันหมดนักศึกษาก็มีดีใจมีเสียใจเนี่ย ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็มีดีใจมีเสียใจเนี่ยพระเนงก็มีดีใจมีเสียใจโยมาจ้ำชิงก็มีดีใจมีเสียใจนี่เห็นอันเดียวกันนี่มีธรรมะแท้ต้องรู้อย่างเดียวกันรู้อย่างนี้ดีใจเป็นทุกขโพโลภะเนี่ยเสียใจเป็นทุกขโทสะเนี่ ย, ยนั่นเนี่เพราะโมหะนี่เองทําให้เราไม่รู้จริงจังควรศึกษาเรื่องของคน เรื่องของคนควรศึกษาความเป็นคนควรศึกษาหน้าที่ของค น, นศึกษาตั้งแต่ป .1 ถึงปีอเอกก็ไม่ได้ศึก่าความเป็นคนเรื่องของคนหน้าที่ของคนไม่รู้จักเลยเมื่อไม่รู้จักอย่างนี้ก่อนเลยที่หน้าที่ของคนไปปฏิบัติหน้าที่ของอะไรไม่รู้เนี่ย มีเแรกดีกับชั่วเท่านั้นเองเขาว่าก้้งศอกยาวานาคือมีพร้อมแล้วทั้งสัญญาและใจให้เราศึกษาที่ตรงนี้ได้ที่ตรงนี้พบจบสมบูรณ์ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณะสามอย่างลักษณะหนึ่งควรศึกษ า, าว่าไตรลักษณ์อันนั้นเป็นเรื่องปฏิยัต ใจรักคือทุกครั้งอนิจจานะัตตาเป็นเรื่องของใจรักณที่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้พูดเอาเรื่องตำราหลักษณะสามอย่างนี่คือหนึ่งศึกษาเรื่องของคนให้รู้จริงๆริงนาทีศึกษ า, าให้รู้จริงๆเรื่องของคน่ เรื่องของคนเนี่ยไม่ใช่เท่านี้นะมากแลี่ควรมเป็นคนเหมือนควรมเป็นคนก็มไม่ใช่ก็เกขึ้นมาเลืนะ่ให้รู้จักคนตั้งเกิดมาจากพอจากแม่ควรมเป็นคนถ้าไม่มีพออย่างนี้มันขยายไปเรื่มันไม่ไมดีเยดงพ่อพูดสันส้นๆห น, น้าที่จะเข้าใจจริงๆแล้วพ่อพูดให้ฟังมาเศร้าเย็นกลางวันตอนสันเ้าสันกลางวันเนี่ย ทำวัตเซาทำวัจเจีนพูดให้ฟังแต่บางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังไม่เข้าใจแต่เข้าใจเข้าใจอย่างหนึง่งและมันตรงกันข้ามแบบมันเลยไม่เข้าใจจึว่าให้รู้จักเรื่องของคนจริงๆเนีลยควรเป็นคนจริงๆและหน้าที่ของคนจริงๆคาว่าหน้าที่ของคนไม่ใช่หน้าที่ของใครหน้าที่ของคนปฏิบัติ ส่วหน้าที่ของเราเช่นหน้าที่น่าจะพูดให้หน้าที่ของตำรวจต้องทําหน้าที่ตำรวจให้ตรงคนนี้เป็นอย่างไงเรื่องของคนแลยถ้าเป็นทหารต้องทําหน้าที่ของทหารให้มันตรงถ้านักบวกก็ทําหน้าที่นักบวกให้มันตรงในวันหน้าที่ของเราหน้าที่ของคนซื้อคนขายต้องทําหน้าที่ของคนซื้อคนขายให้มันตรง หน้าที่ของกรรมกรแบบขนต้องทําหน้าที่ของแบบคนให้มันตรงหน้าที่ของสาวนาสาวสวนก็ต้องทําหน้าที่สาวนาสาวสวนให้มันตรงหน้าที่นักศึกษานักศึกษาก็ต้องศึกษาให้มันตรงพี่เนี่คือหน้าที่ต้องรู้จักหน้าที่ของคนอันนี้เราไม่รู้จักหน้าที่ของคนหน้าที่อะไรเราก็หมกปฏิบัติทั้งหมดเลยก็ได้อันนั้นไม่ใช่คนเลยเขาพูดทำไมไม่ใช่คน พอเลือกคัดจัดหาเอาสิ่งที่มันดีมาประดับเนื้อประดับตัวไม่ได้เรียนรู้เครื่องเงินเรียนรู้เพื่อเกียรติเพื่อยดไม่ใช่เรียนรู้เพื่อความรู้อันนี่ก็ พ, พูดได้นังวันนี้เพราะว่าต้องการว่าวันนี้ขอไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ไม่ได้ชิบอยาเพราะพูดกับหมอขาให้ยามากินพอกินแล้หมอพูดได้คงนี้ก็จะไปแล้วตอนเย็นเขาจะมารับออก เนตีเนี่เนนะขาจะเรียบพูดให้อีกตอนเช้าเนี่ยจะพูดให้ฟังสองครั้ง เ, เนนะเพื่อจดจำแล้วก็ฟังเอาไว้นำไปปฏิบัติ ด, ดูดหน้าที่ตำรวจปราบตามโจรผู้ร้ายเอ <c oughs> ถ้าหากไม่ปราบตามโจรผู้ร้ายก็ไม่รู้จักหน้าที่ของคน ก็ไม่ทําตามหน้าที่เละเขาสมมุติให้เป็นตำรวจนะแตต้องเป็นตำรวจนะัสมมุติทีกเขคนธรรมดาเนี่ยให้รู้จักหน้าที่นั่นเองสมมุติบัญญัติตาลมัตบัญญัติอธธาถะบัญญัติอริยะบัญญัติหลวงพ่อบอกแล้วสมมุติเทวดาสมมุติผีเนี่ยเคยเห็นผีไหมไม่เคยเห็นแต่ได้ยินคำพูดจะกลัวผีเพราะคนไม่รู้จักหน้าที่ของคนนั้นเอง ถ้ารู้จักหน้าที่ของคนแล้วจะเป็นครัวทำไมอันหน้าที่ของเราเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของค น, นความเป็นคนเพราะมีบิดามารดาเกิดขึ้นมาเรื่องของคนมันเป็นอย่างนั้นมันสับสนวุ่น ว, นวายโลกมันสิ้นเดือดร้ออเป็นเรื่องของคนแต่งให้รู้จักหน้าที่ของคนพี่นี่หลวงพ่อปูอันี้แล้วสัจธรรมเนี่ย ว, วัยไต้ักก็ได้เดี๋ยวอันใดก็ได้มันจบขบมาทั้งหมดเลยมันเจ๋ง น, นี่เราไม่รู้จักอย่างนั้นก่อน ถ้าไปเป็นตำรวจต่อบิดเพี้วต่อน้าทีทำการทางานไปโดยไม่ตรงหน้าที่ทหารเมื่อเป็นทหารคอยปราบศัตรูที่มันตรงขันข้าวที่จะมาเป็นสงครามกับเราเนื้อก็ปราบปาบอันนั้นไม่ใช่หน้าที่จะไปปาราบจวนผู้ล้ายอย่างนี้หน้าที่ทหารคอยรละดูดูระมัดระวังต้องกปรปฏิชาติอันนั้นหน้าที่ของทหาร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 เพราะคนไม่รู้จักหน้าที่นั่นเองกลัวผีเคยเห็นผีบ้างไหมไม่เคยเห็นแต่กลัวผีเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของคนแล้วควรเป็นคนมันเป็นมายันภพปูยา่าตายายซ้อนกันมะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนหน้าที่ของคนมันไม่ต้องกลัวผีพราะเห็นผีแล้วเนี่ยอืผีคือทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วไม่ทําการทํางานตรงต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลาเขาเรียกว่าผีทางนั้นก็เหมือนมากผีเนี่ยไอผ้ผีนางนี้คือผีเนี่ยมันเป็นเพราะนั้นเองพระเน่งก็คือผีเนี่ยคนท่าคนแก่ก็คือผีเพราะเราไม่มีตาทิพย์นั่นเองเราจึงไม่เห็นผีจึงปฏิบัติธรรมให้ดูใจใจหลักสนานี้เป็นผีเราก็จะรู้ใจหลักษณะนี้เป็นคนเราก็จะรู้ใจหลักษนานี้ขูมเป็นคนเราก็จะรู้ ใจลักษณะนี้หน้าที่ของคนเราก็จะรู้ค่วมเป็นคนนะให้รู้จักข่วมเป็นคนเป็นคนมาพ่อมีพ่อแม่เอมีบิดามาดาถ้าไม่มีบิดามาดาค่ ว, ควมเป็นของก็เกิดขึ้นมาไม่ได้อ่เราให้รู้จักอย่างนี้เนี๋ยพูดให้ฟังพูดเนียก ว, ว่าแพ้ออกมาขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าใจคนบันนี้พ่อแม่ตายเออเอาเอ า, เอาพ่อแม่อย่างก็พ่อแม่นี่รักลูกมากที่สุดนะ ลักลูกหัวพ่อเคยคนเล่าฟังลูกมีคนเดียวตาบอดทั้งสองข้างก็เลยไปไหนมาไหนไม่ได้พอดีพ่อกับแม่มีสองตารวมกันเป็นสี่ตาพ่อสองตาแม่สองตาถ้าลูกคนเนี้ถ้าได้ดวงตามาใส่ให้มีหูตาสว่างจะสวยจะงามจะได้เป็นเจ้าฟ้าหม า, หากษัตริย์แม่ศึกษาธรรมะอาดเป็นพระ อารียบุคคลเนยพอแม่คู่วตาให้เลยคนละเบื้องเอาไปสวมให้ลูกคนนั้นสองตาเลยลูกก็เลยเป็นคนสวยคนดีคนงามขึ้นมาพ่อแม่รักลูกขนาดนั้นทําไมพ่อแม่บอกไม่ฟังเพราะไม่รู้จักหน้าที่ของคนนั้นเองบางทีน่ะพ่อแม่ตายไปได้ยังเมื่อคนเป็นเป็นอยู่เนีย่ยไม่หาข้าวอาหารน้าได้กินเลยไม่เอาหาอะไรไมาใ้กินเลยขอแต่ท่านตายยจะได้มุนรดก อ น, นันก็แสดงว่าไม่รู้จักหน้าที่ของตนรู้จักแต่ควรเป็นคนพท่นั้นเองเนี่ยให้รู้จักจากนั้นพูดให้ฟังมันมากบัดนี้นนซ้ามีเรื่องตายไปแล้วหาว่าพ่อแม่มาทําให้เจ็บหัวปวดท้องเนี่ยลูกอัปตัญนะูไม่ได้ว่าลูกมีคุณกับพ่อกรับ ย, ยังไปสายปลายสีท่านอีกด้ว ย, ยท่านตายไปแล้วนะหาว่ามาทาให้เจ็บหัวปวดท้อง ทำให้ลูกไม่สบายกายไม่สบายหาเรื่องไปเนียเขาว่าคนอักษร์เนคนเนรและคนคนคนนั่นจะรู้จากหน้าที่ของคนไม่รู้จักเลย <c oughs> ที่ผมพูดเนี่ยพูดความจริงให้ฟังอย่างนี้หลายครั้งหลายหนแล้วทำไมเมื่ อ, อไรจะเข้าใจันแล้วว่าตัวเป็นคนดีเนี่ยเรียนปหนึ่งถึงปริญญาต ร, ารีปริญญาโทปริญญาเอกก็ตามไม่มีขมรู้เลยเรื่องนี้ <c oughs> ว่าจะมีพวกนักศึกษา พวหนูห เ, เรียนปริญญาโทรหรือปริญญาตรีนี่ยคนมีได้คนได้ได้สั้นไหนหนูปริญญโทรหรือรตรีรเนี่ยแล้วคนนั้นได้เรียนอะไรปริญญาทางนั้นนึงเป๊กยางนนไนแล้วมันเป็นอย่างนไงเจอปริญญาทางนั้นหรือ น, นี่ก็เจี๊งมีพระกระียเนี่ยมันไม่รู้เลยครับจอมเจ้า ม, มไม่รู้อย่างนี้ก็จะถือว่าคนเป็นคนเพราะรวมเป็นคนหนึพอมื่ ทำให้เกิดมาเป็นคนเกิดกับคนไม่ต้องเป็นลูกคนหน้าตาแท่งขามือเท้าเป็นคนใจไม่ใช่คนหลวงพ่อเคยพูดเรื่องฝังอย่างนี้เคยได้ฟังบ่อยไหมเนี่เคยได้ฟังบ่อยไหมอย่างนี้เนี <c> ่ย <oughs> เรื่องเมื่อใดจะจํากันมาปฏิบัติกันพระก็เหมือนกัน <c oughs> ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยทําทไมเมื่ อ, อไรจึงจะเข้าใจเมื่อไม่เข้าใ จ, ยจอย่างซี้จะทํำยังไงก็เรียกว่า ปูทุ่นเนี่ยเขาว่าปูทุ่นแปลพูนหนาแน่นเนี่อพูดให้ฟังมันอยู่เรื่องเป็อย่างนั้นเขาว่าปูทุ่นไม่ใช่กันญาแลสนเนี่ยเขาว่าปูทุ่นปูทุ่นเขาเรียกเป็นพูนหนาพูนแน่นอยู่ื่องความเลวหลวสาเหลวไหลไหลสาระพ่อแม่รักขนาดไหนเรายังไปใส่ลายป้ายสีพ่อแม่อีกด้วยเนี่ย จะเป็นคนผู้มีคุณไหมไม่มีคุณเลยคนแบบนี้เขาเรียกว่าคนเนรคุณคนอากาศโนะก็ว่ า, าเกิดม่ไปวัาพวกเราแต่ว่าเอามาพูดให้พวกเราฟังดังนั้นการศึกษาธรรมะหลักพระพุทธศาสนาเอาย่อยๆเบื้องต้นศึกษาให้รู้จักเรื่องของคนเรื่องของคนมันเป็นอย่างนี้มันต้องมีความสับสนหุ่นหวายอยู่เนี่ย และให้รู้จักจควรมเป็นคน อ, อกเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นคนแต่มาประสบกับเรื่องของคนหน้าที่ของคนควรทําอะไรอย่างที่เราพอพูดไปฟังหน้าที่ของคนต้องศึกษาเล่าเรียนได้ผมรู้มาแล้วก็ต้องทําการทํางานตามหน้าที่เนี่ยหน้าที่ของคนไม่ใช่หน้าที่จะไปเราทำ น, นี่ไปพูดอย่างนั้นไปทำ น, นั้นอันนั้นไม่ตรงกับหน้าที่ของเราผิดเลยผิดแล้วจะถือว่าหน้าที่ของเราไหม มันก็ใส่ไม่ได้อย่างอย่างว่าหลวพอพูดนี่เพราะว่าเวลาถ้าขึ้นไปเมืองเลยวันที่ยี่สิบเจ็ดนะผมคิดว่าจะมาวันที่ยี่สิบเจ็ดเนือนธันวาเพราะว่าที่นี่จะเปิดอบรมธันวันที่สามสิบใช่ไหมวันที่สามสิบธันวาไปถึงวันที่สี่มกราเนอะก็วันที่ห้าพุทธกมลวันนี้ผมผมต้องไปโรงพจาบาลวันที่หก ต้องกลับเมืองเลยอีกแล้วเพราะว่าจะเป็นเปิดอบรมเมืองเลยวันทนะี่สิบห้าเนี่ยเองนะจ๊ะว่พูดให้ฟังบางทีผมไม่ได้มาก็ฟังจํากันไหมหลวงพ่อพูดเรื่องอะไรวันนั้นนะ่ะต้องจำอะไรไปปฏิบัติถ้าหากไม่ปฏิบัติแล้วไม่ดีไม่มีประโยชน์อะไรเลยรวมเกิดเป็นคนเหยียบแผ่นดินนะ่ะจินเข้าสุกหมดเข้าสารจินเข้าสารหมดเข้าเปลือกเลย คนที่อกักตัญูเนี่ยไม่มีคุณค่าอะไรทั้งหมดเลยปะเดี๋ยวมันข้าปลือกเราจะเอาเข้าปลือกที่ไหนไปเป็นพันมันมันมันไม่ดีที่จะมานั่งหลวงพ่อพูดอยู่ทีนี่เนี่ยทําตัวเป็นข้าวอุ่นอ้วนเอาปเพาะให้มันได้พันดีๆถ้าไม่เพาะเอาไปเข้าโรงสีให้เป็นข้าวกินออกมาบรรจุรงในกรสอบขายพอได้กําไรดี เอาไปนึ่งไปหุงไปต้มจิ้มก็มีรสผิดข้าที่สอบางคนเป็นเข้าที่สองบางคนเป็นเข้าที่สามบางคนเป็นแก่เป็นลำเป็นข้าวเปล่าก็มีบางคนถึงกับไม่มีไนเลยในข้าวเนี่ยเคยเห็นข้าวข้าไม่มีไนไหมเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นไม่หนูข้าไม่มีไหนเนี่ยเขาว่าข้าวผีอนข้าวผีบ้านหนูเขาเรียกข้าวผีผีผิดอะไรเนี่ย พ่อหลวงพ่อพูดให้ฟังนี่ก็เหมือนกับคนไม่มีไม่มีในนี่ว่าข้าไม่มีในข้าวผีมานั่งฟังอยู่เนี่ยพูดใด้ฟังฟังเส้เสเนี่ยคนไม่มีในข้าวไม่มีไนเอาไปต้มไปหุง ก, กินไม่ได้กับว่าข้าวผีจะไปสอนคนอื่นกันไม่ได้เพราะตัวอย่างไม่ดีขเขาเแล้วข้าวผีเอาไปให้ผีกินไปพูดกับผีอยู่กับผีอยู่กับคนไม่ได้ เพราะมันไม่รู้หนะ้าที่ของคนเนี่ยแล้วใครจะสอนได้อย่างนั้นก็ไปให้ผีสอนนะไปนำผีเท่านั้นเองอยมีแต่เ ต, เ ต, เตแต่ผีแต่พญามารเท่านั้นไม่ปฏิบัติธรร ม, มเป็นคนอกตัญญูคนเนรคุณของครูบาอาจารย์เนรคุณของบิดามารเนรคุณของปู่ย่าตายาเนรคุณถึงประเทศชาติบ้านเมืองเขาว่ามีแต่เ ต, เตแต่ผีแตพญามารเท่านั้น จริงว่าไม่เคารพนับถือธรรมะแทะ้นั่นเองไม่มีธรรมะเลยคนผู้นั้นนะถึงจะรับศีลยุคอตามจะริยนนิพพานยุคอตามไหว้าาภาพภาวนายุคอตามถ้าหากไม่รู่นจากหน้าที่ของคนนะใช้ไม่ได้เลยเขาจะอาผีเข้าไปไหว้ในทิศในใจเขาเมื่อไรไม่รู้ดังนั้นเรามาที่นี่ต้องฟังต้องปฏิบัติ คุณหลงพ้อพูดว่าให้เราศึกษาเรื่องของขนเบืงแหลกเนะเรื่องของของเราศึกษาน่ยศึกษาให้รู้ลูกนาำทำ เ, เมื่อรู้จักรูปนาำเนี่ยรูปอันนี้มันเป็นรูปเป็นน้ำรูปทำน้ำทำเน็กรูปอันนี้มันทำทำดีทำชั่วเนี่ยแต่รูปทำน้ำทำรูปโลกน้ำโลกเกิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บหัวปวดท้องโลกทงงนนังเรื้อนั้นต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะบานี่นในโลกทางจิตใจได้บ้าเนี่ย จิตใจดีใจเสียใจนี่ที่เกลียดที่ขานหรือว่าลึกรู้บุญคุณคนนั้นคนนี่เขาบ่าโลกทางดินน้ต้องศึกษาธรรมะให้รู้สิตัว่าท่านเมื่อศึกษาธรรมะเนี่ยรู้โลกนามโลกโลกทางจิตใจเราต้องพยายามดูใจเมื่อรู้จักโลกทางจิตใจกับรู้จักทุกขังอันนี้จังนะจ๊ะจึงว่าทุกต้องกําหนดรู้ผมจะบอกสองกําหนดจุกเคลื่อนตัวไว้ สมุทัยต้องนั่งคิดย้หอหลักบางคนนะคิดคิดคิดคิดเท่าเปน็นอย่างของคิดเลยไม่รู้จักหยุดคิดเลยอันนี้เขาว่าผิดปกติไปอย่างเมื่อผิดปกติไปแล้วจะว่าศึกษาหน้าที่ของคนไม่ไม่ได้ศึกษาหน้าที่ของแต่ศึกษาเรื่องของคนก็ยังไม่รู้ควรมเป็นคนก็ยังไม่รู้แล้ะจะไปรู้จักหน้าที่ของค น, น, นจะทําไงแง่ยไหนจังหวะรู้จัก ศึกษาเรื่องของคนเนี่ยรู้จักเรื่องของคนเนี่ยควรเป็นคนหนึ่งรู้จักหน้าที่ของคนกับรู้จักทุกขังอริจังนาาัตตารู้จักสมมุติแบบนี้เนี่ยสมมุติผีสมมุติเทวดาสมมุติดีสมมุติชัว่วสมมุติคำผิดคำถูกเนี่ยหน้าที่ของคนควรรู้ถ้าหากไม่รู้อย่างนี้สแสดงว่าคนนั้นยังไม่รู้จักหน้าที่ของเราเกิดเป็นคนก็เหยียบแผ่นดินหนัก จิ้นข้าสุกก็หมเข้าสารจิ้เข้าวสารก็หมเข้าเปลือกไปเลยถ้าหมเข้าเปลือกเดืปีต่อไปก็เหมนนี้เข้าเสี้ยเข้าพันอย่มีแต่ข้าวผีนั่นเองอย่างนั้นจึว่าเมืองไทยก็ตามเมืองฝรังก็ตามเมืองอเมริกาก็ตามเมืองเยอรมันเมืองประเทศอังกฤษก็ตามประเทศอินเดียก็ตามเมืองเราก็ตามจึงว่ามีแต่ข้าวผีข้าวมีนายไปแท็กกันเลยไม่มีดังนั้นคนจึงไม่รู้จักหน้าที่ของเราจริง ก็เลยเอาเรื่องของคนอื่นมาซ้อนกันผสมปะเส้กันไปเลยเนะก็เลยมีแต่ทุกข์ยุ่งสับสนวุ่นวายทาให้โลกยุ่งเข้ามาเดียบกับเอ้าสังคมนิยมปรชาชญ์ที่ ป, ปราชญเกิดโรคลาฆ่าฝันกันเนี่ยเพราะไม่รู้จักหน้าที่ของคนนี้เองพระสงฆ์องค์หนึ่งก็ไม่รู้จักหน้าที่ของเราญาติโยมก็ไม่รู้จักหน้าที่ของเรา เมื่อไม่รู้จักหน้าที่ของเราก็เอาหน้าที่อื่นไปสอนกันก็เลยไม่รู้จักหน้าที่ของก็เลยมีแต่ทุกข์สับสนวุ่นวายกันไม่หยุดไม่เสาร์เลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่หลวงพ่อมาพูดเนี่ยมีความจงรักภักดีเพราะว่าได้ไปหนึ่งเลยก็ต้องนานที่จะได้มาคณะได้มาไปเดี๋ยวก็ลืมไปเพราะไม่ปลุกกันบ่อยๆทุกเลื่อยกระตุกใจกันเรื่อยๆให้มันสะดุดใจ จำไม่ต้องจำมากจำไปแล้เทียงแต่ว่าเอาภาษาวันให้รู้จักเรื่องของคนให้รู้จักความเป็นคนให้รู้จักหน้าที่ของคขดใส่ได้เนี่ว่าสัจธรรมสัจจะของจรงิงจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดนันก็ต้องเป็นอย่างนี้โลกเนยโลกสุขขวมแสบเผ็ดควมเดือดร้อนควมดิ้นลน้นโลกอย่างนี้จะควมทุก ประโยชน์สุดท้ายลูกทุกจริงๆเมื่อรู้จักสมมติดีแล้วว่ารู้จักศ า, า, าสนาศาสนาแปลคําสั่งสอนของท่านครูสอนเข้านีาโยทุกคนเป็นตัวศาสนาทุกคนนั่นแหละคือศาสนาตัวคนเนี่แหละที่ดีๆสอนให้คนละชั่วทําดีเนี่ยว่ะตัวศาสนาพุทธท่านศาสนาคือตัวยังเข้ามารู้พุทธะแล้วผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรม กินด้วยธรรมนั่งนอนด้วยบยกมือไหว้ตัวเองด้วยธรรมจึงเขาลบธรรมยกมือไหว้ตัวเองได้เพราะตัวเองมีคุณลีคามาเลยคุณดีคมงามของคนมีค่ามากที่สุดซื้อได้ได้ราคาจากหมื่นล้านแสนล้านก็ขายไม่ได้ชีวิตของคนจึงมีค่ามากบัด น, นี้เรามาเหยียบแผ่นดินผิดหนักแผ่นดินหนักโลก จินข้าวก็หมดข้าวจินปลาก็หมดปลาจินเนื้อก็หมดเนื้อโอ้ยมีเต้หมดแต่สิ้นเต้เปืองทางนั่นที่ว่าคนไม่รู้จักหน้าที่ของคน่าจัดไซว่าคนไหมคนเพราะเป็กับคนมันกระแขงขาหน้าตาเมื่อทอดเป็นคนติแต่ความคิดของมันไม่ใช่คนเนี่ยเพราะมันไม่รู้จักหน้าที่ของมันนจะเป็นคนได้ทําไหมเพราะมันรู้แต่ว่าอย่างไรทางนี้ว่ายังไงไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเนี่ยว่ายังไง ไม่รู้ไม่รู้จากหน้าที่ของมันเลยวว่าอย่างไรผมเลยทางนี้บ้านผมเดียมันไม่รู้จักหน้าที่แบบอันนี้อีันเงียนรู้จักไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําไม่รู้จักที่นั่งไม่รู้จักที่นอนจะถือว่าคนไหมไม่ใช่คนเรียนจบจากศิษย์ปรยาอกพก็ไม่ใช่คนเพราะไม่รู้จักข้าวโลกนับถือแล้วดิไม่รู้จักข้ารโลกนับถือจะไปรู้จักที่ต่ําที่สูงได้ทําไม คนมันต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงที่นั่งที่นอนที่นอนของพ่อของแม่ที่นั่งที่นอนของครูบาอาจารย์ต้งรู้จักเรด้วยว่าหน้าที่ของเราเราไปทำกล้าวกายหน้าที่ของคนอื่นไปแล้วมันผิดทั้งนั้นความผิดนั่นแปลว่าทำไม่ถูกต้องมีแต่ทุกข์เท่านั้นนํามาความถูกต้องไม่มีก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นตามมาบัดนี้ความถูกต้องมีแล้วบัดนี้ความทุกข์กัหมดไปหมดไปมีแต่ควมไม่มีทุกข์ไรเข้ามาไรเข้ามาเท่านั้นเอง ยังว่าศึกษาให้รู้จริงๆบาสก็คือโง่นั่นเองสอนไม่รู้อยู่ในถ้ำมืดตื้อยู่นั่นเองแบบ น, นี้ถ้ามันมีความสว่างจุดไปแต่ความมืดมันหายไปแล้วจึงจําเอาคําพูดของครูบาอาจารย์นําไปปฏิบัติมันก็นมีความสว่างขึ้นในใจความมืดมันจะหายไปเพราะความสว่างแต่ลนความมืดแล้วโคมโง่นั่นเองคนกําลังทําผิดผู้ผึกจำครูบาอาจารย์ว่า ดำได้กันนําไปแก้ตัวเองเมื่อก็หมืดไปหมืดไปขมมืดก็เหมือนกับเราจุด ไ, ไ, ไฟไว้นี่ไฟมันก็ไล่ขมืดไปไล่ขมืดไปเท่ า, า น, นั้นเองอันนี้เรารู้จักรู้จําแล้วก็ปฏิบัติตัวเองให้มันรู้แจ้งรู้จิตโอ้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็รู้แจ้งรู้จิตเป็นธรรมะของเรานี่หลักพุทธศาสนาสอนพุทธศาสนาจะเป็นที่พึงได้ันะพุทธศาสน า, าเป็นที่พึงได้พึงตัวเอง มันไม่ต้องไปเพิ่งใครทั้งหมดเลยแต่ว่าเบื้องแรกต้องอาศัยการฟังคําพูดของครูอาจารย์คําพูดของบิดามารดาต้องฟังเลยถ้าไม่ฟังน่าจะจดจําไม่ได้กป็นอย่งต่อฟังยังว่าทุกคนที่ผหนํามาน้อยฟังแบบนี้ก็ต้องนึกว่าทุกคนควรเข้าใจศึกษาเบื้องต้นนะครับให้รู้จักความป็นคนเรื่องของคนหน้าที่ของคน อันนี้ควรรู้ควรเห็นควรเป็นควรมีพูดให้ฟังจําไดเ้เรื่องของคนเนี่ยดีก็มีชั่วก็มีทําผิด ท, ทําถูกก็มีเรื่องของคนมันเป็นอย่างเรื่องของสัตว์โลกเอาไว้ยังคนในจังหวะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นสมบัติของคนไม่จะเป็นสมบัติของศาตร์เวลาศาตรคนนี่แหละจะศึกษาห เมื่อเรารู้หน้าที่ของเราแล้วนะปฏิบัติเอาเรื่องสวรรค์มรรคผลนิพพานเี่ท่านตัดเอาไว้สั้นๆหากพระธรรมวินัยมีอยู่มีผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมวินัยอยู่มรรคผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากลกนี้เนี่ยท่านนิพพานก็หมายถึงอะไรโพนิพพานก็หมายถึงความเย็น อ, อกสินใจทําแล้วสบายใจใครจะมาโต้มาเถียงเราไม่ใช่เราทํำจะดีเท่านั้นเองชัว่วเราไป่ทำ พูดใจดีเท่านั้นเองชั่วเราไม่พูดคิดไปดีเท่านั้นเองชั่วเราไม่คิดนี่นนนน เ, เนียว่วามักผลนิพพ า, านของเกอดขึ้นย่างข่วมเย็นนี่ว่นนิพพานคือค่วมเย็นดับโทสะดับโมหะดับโลภะค่วมจริงดับขมหลงตัวเดียวนี่แหละโทสะจะเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้โลภะจะเกิดขึ้นเราเห็นเรารู้เมื่อเราทำลายโมหะแล้วนี่แหละสิ่งทเป็นเคื่องกำจัดกิเลสอย่างหนา ไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศี 5, สองร้อยี่ 8, สิบเจ็ดศีลจึงกําจัดโทสะโมหะได้เพราะเราไม่หลงตัวไม่หลงกายไม่หลงใจเรานี่เองหัวให้ดูใจผมพูดว่าให้ดูใจมันนึกมันคิดให้รู้เท้ารู้ทันรู้จักทันรู้จักแก้ผมบอกแล้วว่าเมื่อกับนักโมยเรียนมาจากครูมาไม่ได้เป็นเสนเปียโนคน ที่เขาไม่ต้องไปเรียนกับครูเนี่ยขึ้นเวทีซกบ่อยๆซกหลมตาเลยทีเดียวใส่สองกำปั้นเนี่ยโนนหลมตา